ในานามของคณะสงฆ์วัดปยุระวงสาวาตก็ขอต้อนรับคณะของท่านทั้งหลายซึ่งนำโดยคุณชนลักมีงามทวีสุขพากันมาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสถานที่ตรงนี้เป็นหัวใจของวัดคือพระอุโบสถ ซึ่งมีอายุพร้อมๆกับพระประธานซึ่งงามซึ่งปิดทองโดยช่างญี่ปุ่นสมัยรัชกาลที่สสร้างในปี 2,371 อีกสองปีก็จะครบ190ปี น, นละเพราะฉะนั้นก็คือปี61 2,561 ก็ครบร้อยก้าสิบปีพระประธานในพระโบสถเป็นพระปางที่นั่งขัดสมาธิแต่ว่าพระหัตหรือมือข้างซ้ายข้างเดียววางไว้บนตักที่เรียกกันว่าพระเพลาส่วนพระหัตข้างขวา ไม่ได้วางทับพระหัตถ์ซ้ายถ้าวางทับพระหัตถ์ซ้ายเราเรียกปางสมาธิวางไว้บนเข่าหรือพระชานุข้างขวานิ้วทั้งห้าชี้ลงบนแผ่นดินเราเรียกพระปางนี้ว่าปางมาลวิชัยหรือมานวิชัย นิยมสร้างเป็นพระประธานในอุโบสถหรือโบสถ์ 90% ของโบสถ์ทั่วประเทศไทยถือกันว่าเป็นปางตรัสรู้และก็ถ้าดูผ้าฝาผนังโบสถ์ซึ่งวัดประยุนเหลืออยู่ด้านหลังด้านเดียว ด้านอีกสมด้านนี้โดนภัยสงครามโลกครั้งที่สองมาทิ้งระเบิดสะพานพุทธระเบิดไม่ได้ลงโบสถ์แต่ว่าลงขอบแม่น้ำแรงระเบิดทำให้หลังคากระเดิดขึ้นฝนชะล้างภาพหายไปสามด้านปีนี้แล้วหายไปนานตั้งแต่หลังสงครามโลก ปีนี้ซ่อมใหญ่ซ่อมพระอุโบสถเสร็จหมดแล้วทั้งหลังคาทั้งพื้นรอบๆอบทั้งผนังเรากันไม่ให้ผ้าฝาผนังที่มีอยู่เสียหายเพราะมีความชื้นขึ้นมาจากน้ำใต้ดินทางช่างก็ตัดหมดเลยเอาปูนคือเหมือนกับเลื่อยทั้งหลังเลยแล้วเอากาวซีเมนชีดขึ้นไปบล็อกไม่ให้น้ำขึ้น ทั้งหลังเลยตรงขอบพระอุโบสถเพื่อลองรับภาพฝาผนังที่เรากำลังวาดตอนนี้ออกแบบไปแล้วให้ทางกรมศิลป์หาช่างก็คงภายในไม่ถึงหนึ่งปีเนี่ยภาพฝาผนังจะกลับมาดังเดิมและในโบสถ์ทั่วไปเนี่ยถ้ามีพระประธานอย่างนี้ภาพฝาผนังตรงข้ามกับพระประธานตรงนี้นะ จะเป็นพระพุทธรูปปางนี้นั่งอยู่ใต้ต้นโพมีพญามารมาผจญขี่ช้างมานะฮมีแขนหลายแขนถือหอกถือดาบด้านหนึ่งโจมตีพระพุทธเจ้านั่งใต้ต้นโพอีกด้านหนึ่งมีแม่ธรณีใต้นั้นมีแม่ธรณีบีบใบผมน้ำท่วมน้ำท่วมมารอีกพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางแต่เขาจะมีสองฉากฉากหนึ่งมารขี่ช้างแล้วก็ เอาอาวุธสัตว์ใสพระเจ้าอีกด้านหนึ่งจะเป็นมารนั่นแหละชุดเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าจบน้ำแม่ธรณีเขาเรียกแล้พระเจ้าจะนั่งอยู่ใต้ในรูปภาพใต้ต้นโพเนี่ยโดยเอาพระหัตถ์ข้างขวาเนี่ยวางไว้บนเข่าขวานะเพราะฉะนั้นเวลาไปกราบขอพรเนี่ยเราขอให้ชนะมารมารแปลว่ า, าวอุปสรรคศัตรู สิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราทำอะไรสำเร็จเราจะขอพอ่อจากพระประธานในพระบรมเรีว่าปางตัดสรุปเหตุที่สร้างพุทธรูปปางนี้ในวันตัดสรุ้ก็เพราะว่าในวันที่พระเจ้าตัสรุ้วันวิสาขาบูชาเนี่ยยังตอนนั้นเป็นบ่ายพระเจ้าได้ยาคามาแกรรมมาปูใต้ต้นโพที่พุทธคยา ปูใต้ต้นโพและอธิษฐานจิตขอนั่งเป็นครั้งสุดท้ายเนื้อเลือดจะเหือดแห้งไปจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเรายังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตราบใดจะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์ที่นั่งนี้ตราบนั้นเขาเรียกว่าอธิษฐานสุดยอดปฏิบัติมาหกปี ไม่สำเร็จวันนี้ขอให้สำเร็จและดมตีกิเลสให้พินาฏไปเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ถ้าไม่เป็นก็ไม่ลุกนั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งลักษณะอย่างนี้ชาวโลกก็เอาไปใช้พระเจ้าตากตีเมืองจันทรุบมอข้าวหมดถ้าเข้าตี เมืองจันท์ไม่ได้กดข้าวอยู่ตรงนี้ทหารไม่มีข้าวเหลือแล้วก็เลยระดมตียึดเมืองจันท์ได้พระพุทธเจ้าปฏิบัติมาหกปีถอยบ้างอะไรบ้างแต่ครั้งนี้ไม่ถอยนั่งใต้ต้นโพตอนบ่ายจะตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าพอจะตัดสรุขึ้นมาร้อนถึงเทวดาชั้นสูงสุด สวรรค์มีหกชั้นสวรรค์มีหชั้นชั้นต้นเนี่ยเป็นสวรรค์ที่เรียกว่าท้าเท้าจัตุโลกกระบาลดูแลสี่มุมของโลกเราเรียกว่าชั้นจาตุมมหาราชคติจีนเขาจะทำเป็นเฝ้าประตูนั่นคือจัตุโลกกระบาลจาตุมมหาราช สูงขึ้นไป เ, เป็นสวรรค์นี่ชั้นที่หนึ่งนะก่อนถึงจกตุมมหาราชจะเป็นเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ตามภาคพื้นดินเขาเรียกภุมมะเทวดาที่เราไปไหว้ต้นตะเคียนต้นโพต้นอะไรต่างคือจะมีเทพรักษาลุกคเทวดาอย่างนี้เขาเรียกเทวดาภาคพื้นดินภุมมะเทวดาสูงขึ้นไปเป็น สวรรค์ชั้นที่หนึ่งจารุ ม, มหาราชมีสสี่มุมของจั ก, กรวาลแล้วก็มีเทวดา4ีองค์เป็นใหญ่แต่ละทิศเรียกว่าเชาตาต้าจารุมหาราชสูงขึ้นไปนะเป็นชั้นที่สองเรียกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงเนี่ยเป็นสวรรค์ของพระอินทา้าวสกะของเราเรียกทากกท้าวสกะเทวราช ก็คือพระอินที่คอยสอดส่องช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากทิพพระอาฏเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังศิลาประหลาดใจเนี่ยคือพระอินในชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นชั้นที่สองชั้นที่สเป็นชั้นยามาสูงขึ้นจากชั้นดาวดึงเป็นชั้นยามาแล้วชั้นที่4ชั้นดุสิต สวรรค์ชั้นดุสิตนี่เป็นสวรรค์ที่พระโพธิสัตว์ท่านไปประทับอยู่ก่อนจะมาตัดสุ้เป็นพระพุทธเจ้าจะไปอยู่ชั้นดุสิตพระศรีอานที่จะมาโปรดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตส่วนสวรรค์ชั้นอวดึงชั้นที่สองเนี่ยจะมีเจดีย์จุฬามณีที่พระอินทร์เนี่ยเอาพระธาตุเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าไปประดิษฐานไว้ แล้วก็มีผมของพระพุทธเจ้าตอนบวชเนี่ยตัดแล้วพระอินทร์เอาพานทองมารองรับไปเก็บไว้เพราะฉะนั้นคนจะอธิษฐานว่าจะไปไหว้พระจุลามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงฉะนั้นเวลาคนตายเนี่ยเขาจะเอาดอกบัวใส่มือดอกไม้ใส่มือเพื่อให้ไปไหว้เจดีย์จุลามณีในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะนี่เป็นคติ ชั้นที่สี่ยามาะเออชั้นที่สี่ดุสิตชั้นที่ห้านิมมานารดีนิมมานารดีหมายถึงเทวดาที่พึงพอใจกับการเนรมิตซึงถึงอย่างได้มาจากเนรมิตหมดสูงสุดสวรรค์ชั้นที่หปะระนิมมิตตวะสะวะดีชื่อยาวหน่อยแปลว่าเทวดาที่พึงพอใจกับที่เทวดาอื่นมาเนรมิตให้ อยากได้วิมานไม่ต้องหรอกมีคนเนรุมิตให้สร้างให้เป็นเทวดาที่มีอํานาจสูงสุดปกครองสวรรค์ทั้งหมดปรินิมิต่าวสาวดัดีฉะนั้นจึงเคยชินกับการมีอํานาจเพราะใช้เทวดาอื่นหมดใครไปเกิดในสวรรค์ไม่ตั้งแต่ชั้นหนึ่งเชิงชั้นที่ห้าเนี่ยเป็นลูกน้องเขาหมดพญาปรินิมิต่าวสาวัสดี จึงเคยชินกับการมีอำนาจเทวดาใดที่คนใดก็ตามที่ไม่คิดจะไปเกิดบนสวรรค์แต่จะไปนิพพานเลยไปอีกเลยไตรภูมิการมาภูมิรู ป, ปรภูมิรู ป, ปรภูมินิพนา์มันสูงกว่า น, นั้นีกถือว่าไม่อยู่ในอำนาจเขาพยายาม เขาเรียกว่าดังแล้วแยกวง อ, อิดชาทันทีเลยถ้ายังเป็นลูกน้องอยู่ส่งเสริมแต่ถ้าดังแข่งมองตาข้างเดียวออตอนแรกๆ ก, ก็เละ ก, ก่อนนะตอนหลังๆกดไว้จะย้ายจะเลื่อนไม่ให้เดี๋ยวมันเท่าเราเขาเรียกพวกมีอำนาจเทวดาที่สูงสุดนี้พญาป ร, น, ป ร, ป ร, ป ร, ปรนิมเนี่ย เป็นเทวดาที่มีอำนาจสูงสุดเมื่อส่งส่องทิพระเนตรมาเห็นว่าพระพุทธเจ้าสิทธัตถะเนี่ยกำลังจะประกาศอิสรภาพจากสวรรค์คือไปเป็นพระพุทธเจ้าเขา้านิพพานและอธิษฐานว่าจะนั่งเป็นครั้งสุดท้ายใต้ต้นโพในวันตรัสรู้ยอมไม่ได้ต้องมากวนสมาธิให้เสียสมาธิ ไม่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็เลยยกพาลูกน้องมาเทวดาในสวรรค์ชั้นสูงสุดเนี่ยมาในป่าสมัยก่อนมันเป็นป่าอยู่ริมแม่น้ำเนรัญชาต้นโพใหญ่พระพุทธเจ้านั่งอยู่องเดียวพอมาถึงเขามีอำนาจเนี่ยเขาก็ทำให้ป่าสะเทือนเลื่อนลั่นเหมือนพูดผีปีศาจนะนะ แล้วก็เนรมิตรูปร่างหน้ากลัวมากเพื่อให้พระโพธิสัตว์ตอนนั้นอย่งเป็นพระเจ้าตกพระไทยกลัวสะดุ้กวิ่งหนีพอวิ่งหนีปุ๊บเป็นไงเสียสัจจะที่ว่าจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้แพ้เลยไม่สําเร็จเป็นพระเจ้าล้มเหลวเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนกับพูดผีปีศาจมาหลอกก่อนมาหลอกมาหลอนคนปฏิบัติธรรมเนี่ยมักมันจะมีบางที ม, งทมีมารพอจะบรรลุอะไรมันจะมีเสียงมีอะไรต่างเนี่ยนะ แวววมาอะไรมามาูลนประสาทให้แล้วก็ในเพราะฉะนั้นในภาพที่ท่านวาดเนี่ยก็จะเห็นพญา ม, มานเนี่ยขี่ช้างนะขี่ช้างเนรมิตเนีช้างเทวดาทําท่าเป็นช้างเนรมิตมาแล้วทำยังไงอีกขี่ช้างคิริเมกแล้วพญา ม, มานเนี่ยเนรมิตให้มีแขนงอกออกมานะ ไม่ใช่แค่โทศกัน์นะสิบยี่สิบแขนนะเป็นหนึ่งพัน ะ, ะแสดงว่าหนึ่งหนึ่งพันแขนเนี่ยเหมือนกับมันจะต้องข้างละเท่าไหร่ห้าร้อยใช่ไหมแล้วแต่ละแขนเนี่ยถืออาวุธไม่เหมือนกันเลยนะถือกระ บ, บองถือหอกถือดาบถืออะไรต่างๆเพื่อมาสัดใส่พิทธเจ้บเราเรียกการต่อสู้ท้งนี้ เอามาสวมดมนต์เรียกว่าพาหุงพาหุงสหัสสมะพินิมพาหุงหรือพาหาแปลว่าแขนสหัสสะแปลว่า 1,000 พันาหุงสหัสสมะพิณิมพินิมก็คือเนรามิตรพยามาณเนลมิตหนึ่งแขน 1,000 แขนก็คือข้างนะฮะร้อยถืออาวุธทุกอย่างมาป่าเลื่อนลั่นทําเป็นน้ําท่วมทําอะไรต่างตแต่แปลกเนื่องจากว่ามันเป็นอํานาจพูดผีปีศาจทางจิตใจ พอมาถึงพระพุทธเจ้านี่ลมนิ่งสงบไม่มีอะไรมากระทบเลยรอบๆเพระองค์นี่นะเพระองค์นิ่งนั่งสมาธิอยู่ตอนแรกนั่งสมาธิอย่างนี้นิ่งสงบพอเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่วิ่งหนีแล้วก็เอาเอาวุธสัดใส่เอาห อ, อกเอาดาบเ อ, าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นศิล ป, ปินก็จะวาดมีห อ, อกมีดาบสมัยก่อนนะถ้าสมัยนี้ศิล ป, ปินไปวาดที่กรุงรดาลนะที่วัดพุทธประฏิบ ปื้อนใหญ่เลยโอ้เอ็มสหกลเป็นชุดวาดให้ฝรั่งดูยังไม่หนีอีกองนี้เยี่ยมมากฝรัง่งมาเห็นแล้วสุดยอดพระเจ้าไม่หนีเพราะอาวุธทั้งหลายพอมาใกล้พระกลายเป็นดอกไม้บือาพระแปลสภาพเป็นดอกไม้หมดจนหมดอาวุธหมดสต๊อกพระก็ยังไม่หนีทำยังไง จะพระอย่างนั่งสมาธิอยู่เหตุที่จะทำให้เอามือวางไว้บนเข่าขวาเนี่ยก็คือมารพอหมดท่าแล้วอาวุธหมดแล้วพระไม่หนีแล้วก็เลยเจรจากันพระพระที่ตรงนี้นะเราจองนะหมายถึงมารมาจองไว้ก่อนใต้ต้นโพนี้เราจองไว้เราทำเอาไว้เราเตรียมการไว้ของเราพระอย่ามา แย่งที่ของคนอื่นไปให้พ้นนี่บุกรุกป่าสงวนนะแต่คนละอย่างกับสิบเก้ารีสอร์ทนะคนละเรื่องนะอันนี้อั น, นีม้มาบุกรุกไม่ได้ไปไปไปไปไปพระพุทธเจ้า บ, บอกอาตอมาทำไว้นะยาคาก็ออกมาปูเองนะคือที่มาไล่ที่อย่างนี้เพื่อให้เสียสัจจะว่าจะไม่ลุกใช่ไหม แค่ลุกก็ปุ๊บก็บแพละ่ะพระบอกว่าจะนั่งเป็นครั้งสุดท้ายนี่ไม่ลุกอาตมาปูไอ้ยกคานี่พระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บมารก็ บ, บอกว่าเป็นพระเป็นเจ้าอย่ากโกหกมีหลักฐานไหมมีนอสอสามไหมไม่มีแล้วมีพยานบุคคลไหมไม่มีงั้นท่านแพ้เพราะลองถามลูกน้องเราทั้งหมด ว่าที่ตรงนี้เป็นของหัวหน้าใช่ไหมหัวหน้าพญาปรินิมเนี่ยมาจองไว้ก่อนพระมาใช่ไหมตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมใช่หรือไม่พอถามกันลูกน้องยกมือพึบเลย เ, ออเสียงข้างมากเนี่ยนะตามรัฐธรรมนูญเลยสอสอ ส, อสอวรวมปุ๊บชนะเลยเอมคนละเรื่องนะงปรากฏว่ายกมือ พระแพ้ต้องไปไหมล่ะพระบอกว่าอาตมาก็มีพยานอยู่ที่ไหนอ่ะนี่ไงพอนี่ไงก็ยกมือนี่วางไว้บนเข่าขวาเห็นไหยชี้ลงบนแผ่นดินห้านิ้วเลยนะอ้างแม่ธรณีเป็นพยานอ้างแม่ธรณีเป็นพยานว่า เราทําบุญบําเพ็ญบา ร, รมีมาสีอสงไขยกําไรแสนกับแม่โทรณีเห็นมาตลอดพร้อมที่จะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าและทําบุญทีไรก็กรวดน้ําลงบนแผ่นดินเพราะฉะนั้นเวลาเรากรวดน้ําเราก็จะไปเทลงบนต้นไม้บนแผ่นดินต่อไปแม่โทรณีจะได้เป็นพยานน ใช่หรือไม่ว่าเราได้จองที่ตรงนี้ไว้และจะตัดสรุ้ตรงนี้ปฏิบัติตรงนี้ไม่ใช่ของโค น, นาพยามานใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้เป็นพยานคือสาธุ ก, การแม่ทรณีก็สาธุ ก, การโดยแผ่นดินไหวทันทีเลยแผ่นดินไหวขึ้นอย่างไม่มีปีไม่คุยเลยแสดงว่าแม่ทรณีเป็นพยานให้ ในตำราในพระคำพีเนี่ยบอกว่าแผ่นดินไหวแต่ศิลปินไทยเนี่ยจิตจิตกรเนี่ยจินตนาการเป็นรูปผู้หญิงผุดขึ้นมาจากใต้แผ่นดินใช่หแล้วมาบิดมวยผมอะ่ะแล้วเรียกแม่ทรณีเนี่ยแล้วแมแล้วน้ำก็ท่วมกองทัพพญามารเวลาวาดภาพอันนี้เป็นคติไทยนะแต่ในพระบาลีเนี่ยแค่ว่าแผ่นดินไหวของไทยนี่บอกน้ำท่วม พญามารสรุปแล้วพญามารแพ้เพราะอะไรมือวางไว้บนเข่าขวาพระหัตเนี่ยวางบนเอเข่าขวาชี้ลงแผ่นดินแม่ทรณีเป็นพยานมารก็เลยยกทัพกลับยอมแพ้พระพุทธเจ้าก็ได้นั่งใต้ต้นโพต่อการชนะครั้งแรกเรียกว่าชนะเทวปุตตมารคือเทวดามารหมายถึง มันลากศัพท์เดียวคำว่ามรณนะแปลว่าค่าความดีใครจะทํทำความดีเนี่ยนะมารชอบมากวนแต่ถ้าทำชั่วมารชอบไม่มากวนเลยไปเลยยุทรงนะแต่พอจะทำความดีมันจะต้องมีอุปสรรคทางนั้นแหละเพราะฉะนั้นมารนี่สำหรับเราอาจจะไม่ใช่เทวดาอาจจะหมายถึงผู้มีอำนาจหมายถึงไกลก็ได้เวลาจะทำความดีเป็นมารภายนอกผู้มีอานาจภายนอก พระพุทธเจ้าชนะตรงนี้ขับไล่ไปเราจึงเรียกพระพุทธรูปปางนี้ว่ามานวิชัยมาระวิชัยแปลว่าผู้ชนะมารแต่ชาวบ้านมักเรียกว่าปางสะดุ้งมารเอ้าทำไมเรียกสะดุ้งมารล่ะไปถามคุณลุงคุณลุงบอกเอาก็ตอนนั้นมารยกทัพมาเยอะพระพุทธเจ้ายังไม่หมดเกลเล็ก็เลยตกใจ กลัวเขาสั่นเลยเอามือกดเขาไว้เนี่ยเล่าอย่างนี้ผิดนะสะดุ้งมารที่แปลอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าตีความเองสะดุ้งมารต้องแปลว่าทำให้มารสะดุ้งสะดุ้งมารก็คือไล่มารให้สะดุ้งกลัวไปอย่าไปบอกว่าเขาสัน่นไอท้ที่ชี้ลงนี่อ้งแมโทรณีเป็นพยานหลังจากนั้นก็หัวค่าพอดี มานไปและเงียบสงบพระเจ้าก็นั่งสมาธิต่อชนะกิเลสข้างในเรียกว่ากิเลสสมานทำลายกิเลสได้พอรุ่งสว่างก็ได้อาสวะคคยายานไงยานที่ขยะแปลว่ากาจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายสรุปแล้วชนะสองมานอย่างน้อยในวันนั้นหนึ่งเทวดาผู้มีอำนาจสูงสุด สองกิเลสภายในจิตใจของพระองค์หนึ่งในหะไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัววันนั้นเลยลาคีบ่อพันพัวสุวะคนทะกัมจรพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนดอกบัวเห็นไหมตัดสลูแล้วจะมีดอกบัวรองรับแท้ที่จริงหมายถึงบัวบานในจิตใจมีคนถามพระพุทธเจ้าว่า หลังจากต่สรู้แล้วนะแต่นานมาแล้วพุทธเจ้านั่งอยู่พางเพียงลำพังท่านเป็นอะไรเนี่ยมานั่งอยู่คนเดียวเป็นเทวดาหรือเปล่าเพราะคนธรรมดาไม่ไมาอยู่ในป่าคนเดียวหรอกแล้วรัศมีผุดพองเหลือเกินเราจะเห็นว่าพุทธรูปเนี่ยจะมีถ้าเวลาเราวาดภาพจะมีฉับพันณรังสีฉับพันณรังสีหมายถึง ไม่ได้ปริงฉพนนลังสีบ่อยนะหมายถึงรัศมีสีต่างๆเหมือนออกไปจากพโตรากายเปริงปรังเนี่ยจะเปริงฉพนนลังสีหลังจากตัดสรู้เมื่อพิจารณาธรรมะที่พระองค์ตัดสรุ้ที่เราเรียกว่า8ปดหมพันพธรรมขันเนี่ยธรรมะเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยในอภิธรรมเลยนะพอใช้ ปัญญาอย่างเต็มที่เนี่ยท่านทั้งหลายเลือดเนี่ยมันจะขึ้นไปยที่ศีรษะถ้าเราคิดเรื่องเล็กๆนะแค่แต่งหน้าแค่ทานอาหารเลือดไม่ฉีดไม่ฉีดขึ้นนี้แต่ถ้าตอนไหนมันมีปัญหาเยอะๆใช่ั้ยเรื่องยากๆและดมไปยังไงสมองเลือดจะขึ้นนี่หน้าแดงหน้าเขียว แล้วแต่สีเลือดเหล่าแต่พระพุทเทเจ้านี่เลือดบริสุทธิ์นี่เพียวดเพราะฉะนั้นเวลาโลหิตฉีดซ่านไปที่พระเศียรเนี่ยรัศมีมันโกรนะเปล่งรัศมีออกงดงามเหล่านี้นอาเครียดคิ้วย่นนะมองไปไหนตาขวางแต่พระเจ้าเป็นไงยิ้มน้อยๆชนะมารไม่มีปสัสสาวะไม่มีปัญหาปล่อยวาง จึงเปล่งฉับพันนาลังสีหนึ่งในฮะไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่อพันบัวสู่วคนธกรรมจรฉะนั้นฉับพันนาลังสีเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่พิจารณาธรรมะยากยากลึกซึ้งโลหิตจะขึ้นไปคนทุกคนก็เป็นแต่พระพุทธเจ้านั้นโลหิตของพระองค์บริสุทธิ์ผ่องใสมันจึงรัศมีออก เวลาเราทำงานหนักๆเนี่ยใกล้เดทไลน์เนี่ยเจ้านายสั่งเป็นไงขึ้นไหมความดันดิความดันขึ้นเส้นเห็นเลยเนยนะหน้าเครียดเหมือนกับนายคนหนึ่งที่วางแผนจะฆ่าจูเลียสซีซ้าชิคาิอุสแกไปไหนแกก็แคนซีซ้า แคนซีซ่าวางแผนฆ่าเขาคนที่เป็นเพื่อนสังเกตไอ้หมอนี่นไอ้บลูตูสมันเอาจริงไว้เชคสเปียร์มาแต่งกันนะแล้วก็รัชการที่หกทรงแปลว่านั่นคาสิอุสมีสีหน้าแห้งกระหายใจเขาคิดมากเกินไปคนเช่นนี้สีหน้ากลัว พวกหมูไม่กลัวน้ำร้อนและในที่สุดก็สังหารสีซ่าในสภาพวกนี้เครียดเครียดแล้วเพี้ยนค่าสีซ่าล้วได้อะไรไม่คิดเพราะแค้นอย่างเดียวเราดูเรื่องหลังจากนั้นมันก็คนที่ฆ่าพินาศยอดย้านหมดกลายเป็นคนอื่นเอานั่งสบายๆนะนั่งคันสมาธิเลยสบายๆไม่ต้องนั้น คัดสมาธิฟังสบายๆัดสมา ถ, ถือว่ามาปฏิบัติธรรมนักขัดสมาธิจเจริญสติกันฟังแล้วเป็นไงคนที่มีปัญหาทุกคนไม่ว่าจะเกิดความโลภอยากได้เกินไปโกรธเกินไปกลัวเกินไปเคยเห็นคนกลัวผีไหมล่ ะ, ะคนกลัวผีนี่ผมตั้งเดนะ ลุกขึ้นผมล่วงมีเด็กเนี่ยมานอนอยู่ที่วัดเนี่ยผมล่วงบังผีหรอกผีหร อ, อกทาไมนอนอยู่หน้าห้องอาตมาเนี่นยะกลัวผีเปิดไฟเป็นโคมไฟเนี่ยปักลงกับพื้นแล้วตัวเองก็นอนให้มีให้ไฟเนี่ยเป็นเพื่อนแล้วแกตื่นขึ้นมาแกเห็น คนมาแอบดูแกตาใสายอยู่นอกกระจกมันนอนอยู่มีกระจกอย่างเงี้ยเพ่งมองแกต้องลุกขึ้นไปเปิดดูก็ไม่มีใครไปตามเด็กข้างล่างก็ไม่มีใครกลัวจนผมร่วงแ ล, แล้วมาเล่าให้ฟังก็บอกคุณไปดูให้ดีนะมันผีหรือใครคุณง่วงเปิดไฟอยู่ไฟมันก็ส่องหน้าแกหน้าแกเนี่ยไปกระท้อนกระจก ไอ้หน้าแกไปไปเป็นเงาในกระจกมันเห็นแต่ลู ก, กตาแกก็จำไม่รู้ว่าตาไขรที่จริงตาแกนั่นแหละไข้หัวโกรนเลยรูปมรูปอย่างเงี้ยผมล่วงโลภเกินไปโกรธเกินไปแบบคา ส, สิอุสกลัวเกินไปกังวลน่พวกแองไซตี้พวกกังวลเนี่ยมันมีผลหมดถามว่ามีผลยังไงคือเพี้ยนไงไม่ใช่ผีถ้าเราเป็นปกติเราไม่กลัวใช่ไหม เราไปเห็นภาพลูกตาเราเราก็ต้องสังเกตมองให้ดีสิมันจะต้องดูกันพอเห็นตกใจจ้ากเลยวิ่งเลยอะ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะความดันขึ้ น, นทางวิทยทางการแพทย์เขาดูแล้วเขาบอกในช่วงนั้นที่กลัวสุดขีดเนี่ยรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นสารอย่างหนึ่งชื่อว่าอะดรีนาลีน สารอะดรีนาลีนมันจะปั๊มมาจากต่อมใต้สมองเราเนี่ยเข้าไปในกระแสะเลือดอมาฟังด้วยน ะ, ะดีมากสารเนี่ยปั๊มเข้าไปในกระแสะเลือดนะอะดรีนาลีนแล้วเกิดอะไรขึ้นเพราะเรากลัวเราก็ถือว่ามีภัยเราโลภเราอยากได้เราก็ต้องพยายามแล้วโกรธมันหลั่งมาทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นหัวใจมันจะปั๊มเร็ว มันจะปั๊มเร็วขึ้นความดันเพิ่มและกลูโคโสน้ําตาลมันจะเข้าไปในกระแสเลือดเพราะคิดว่าเราจะต้องถ้าเรากลัวผีเราต้องวิ่งหนีถูกไหมแล้วเลือดมันจะไปรวมอยู่ที่ไหนมันไม่อยู่ที่สมองนะเพราะเราจะต้องหวิหนีวิ่งหนีสิ่งที่เรากลัวเลือดมันจะไปอยู่ที่ขาพลังงานมันจะเตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นคนไฟไหม้อะไรก็ตามเนี่ย ที่แบกตุ่มออกไปได้เนี่ยเพราะว่าอะดรีนาลีนเนี่ยมันหลั่งแล้วเลือดมันไปรวมอยู่ในอวัยวะที่เราใช้มากที่สุดตอนนั้นเช่นวิ่งหนีไฟไหม้ขาเคยเห็นไหมบางคนวิ่งหนีเสือเข้าไปในกอไผ่ออกไม่ได้ไอ้ตอนเข้าไม่รู้เข้าไปได้ยังไงนะไปติดไปติดอยู่ในกอไผ่ไอ้ตอนนั้นเนี่ยสารมันหลั่ง สารเมลังแล้วเราทำให้เราวิ่งอย่างเร็วหัวใจมันจะเต้นเร็วหัวใจเต้นเร็วเพื่อมันปั๊มเลือดทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราหนีอะไรปรากฏว่านักวิจัยเนี่ยเขาไปอยู่ที่ทุ่งสวานาที่แอฟริกาเขาไปสังเกตพวกเก้งพวกเลียงผาพวกละมั่งพวกกวางเนี่ยเวลามันหากินอยู่กับสิงโต มันกินไปเป็นฝูงนะสิงโตก็มานอนเป็นฝูงอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่หนีมันชะเง้อมองหน่อยหนึ่งไอ้ตัวเลี้ยงผาแล้วมันก็ดูแล้วมันก็กินต่อถ้าเราดูทีวีเราจะเห็นยัอไงถ้าเป็นเราเนี่ยกินไม่ได้นะไอ้ที่ตัวเล็กนี่มันกินได้นะกินกินกินกินกินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันอยู่ในระยะห่างที่ไม่เป็นอันตรายสิงโตอยู่ตรงนั้นเนี่ย ถ้าขืนถิงโตวกวดตอนนั้นมันวิ่งหนีทันสิงโตก็รู้นอนคุยกันเฉยเลยสิงโตคุยกันไม่ทำอะไรแต่มันจะมีไอ้ตัวหลอกอ่ะรับรวมพลังกันนะไอที่นอนคุยนั้นไม่ทำแต่ไอตัวย่อง ม, มีนะเข้ามาในระยะประมาณสองเมตราเมตรเนี่ยแล้วกระโดดตะครุบเนี่ยพอกระโดดปุ๊บตัวเลียงผาตัวกวาง อะไรก็ตามมันจะกระโจนสุดชีวิตเพื่อเอาตัวรอดช่วงนั้นเนี่ยทางการแพทย์เขาบอกว่าสารอะดรีนาลีนเนี่ยมันหลั่งเร็วมากแล้วมันปั๊มเลือดไปที่ขามันจะวิ่งเร็วกว่าปกติมากวิ่งเร็วกว่าปกติและเมื่อวิ่งเร็วกว่าปกติก็หมายความความเป็นความตายสิงโตก็ตามอย่างเร็วสิงโตก็หลังเหมือนกัน แล้วเลือดมันไปอยู่ที่ไหนที่ขาสี่ขาในสมองนี่ไม่ต้องมีแนะตรงอื่นมั น, ม, น, ม, นมันอพยพไปอยู่ตรงนั้นหมดเลยมันแล้ ว, แ ล, วแล้วน้ำตาลมันก็จะเข้าไปในการแสรเรตเป็นพลังงานกรูโคสเลยนะเพื่อเป็นพลังงานกับเลือดอะไรสานาทีเขาเรียกภาวะนั้นว่าสตร s สสำหรับกวางเลียงผาสามนาทีเป็นความเครียดที่สารมันหลัง แล้วเลือดมันไปอยู่ที่ขาสามนาทีจบคือยังไงถ้าสามนาทีเนี่ยจบคือหนึ่งโดนเสือสิงโตกัดตายก็จบหรือสองหนีพ้นในสามนาทีเนี่ยต้องให้พ้นนะเพราะหนีพ้นก็หายเครียดแล้วมันก็ไปกินหญ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิง ไ อ, ไอ้ตัวกวางตัวเลียงผามันไปกินหญ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลือดมันจะกลับปกติความดันกลับปกติแต่มนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้นสามนาทีแก้ปัญหาไม่ได้หรือผ่านภาวะเฉียดฉิวกับวิกฤตไปนั่งอกสั่นอีกสามชั่วโมงขวัญยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ยังเห็นสิงโตไล่งับอยู่เลยนะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์มันมีจินตนาการมีอุปาทานยึดมั่นถือมัน่นเพราะฉะนั้นความเครียดมันจึงสะสมผ่านปัญหาไปหลายวันแล้วมันยังไม่หายเครียดมันยังนึกว่าภัยกลาลังมาเพราะฉะนั้นปัญหาที่เขาบอกว่าให้เราทำให้เสร็จเมื่อ น, นั้นเมื่อ น, นี้เนี่ยเราเริ่มเครียด แล้วพอสารหลังเป็นยังไงนอนไม่หลับปัญหาที่เราแก้มันไม่ได้อยู่ที่ขานะพวกทำงานออฟฟิศปัญหาที่เราแก้ต้องใช้สมองเพราะฉะนั้นเลือดมันจะสูบ ข, ขึ้นสมองน้ำตาเนออะไรเออมันก็ออกมาเพราะฉะนั้นความดันเพิ่มไม่ยอมลดเป็นไมเกรนปวดศีรษะ แล้วเนื่องจากว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารนี่เลือดมันจะต้องลงไปย่อยอาหารที่กระเพาะเราแต่การที่เราใช้สมองมากๆเป็นไงไม่หิวทานมันก็ไม่ย่อยคนที่มีความเครียดนักธุรกิจหรือนักการเมืองหรือใครใครก็ตามเนี่ยนะมันจะมีอยู่สองโรคเท่านั้นเนี่ยไม่ปวดท้องก็ปวดหัวนอนไม่หลับ ฉะนั้นความเครียดบรรสะสมปัญหายังไม่จบบางทีทำทั้งคืนตื่นเช้ากลางคืนนอนไม่หลับอีกตังหาเอาไปฝันในที่สุดสุขภาพมีปัญหาและไม่มีความสุขทำอย่างไรถึงจะให้มันกลับสู่ปกติบางคนเป็นอย่างนี้อีกนะชอบความเครียด ถ้าไม่ไฟหล่นก้นนะไม่ทำงานนะเดดไลน์ยังไม่ถึงนะเจ้านายไม่เรียกไปเชงนะเก็บซุกโต้โอ้ยพอมีเดดไลน์ขึ้นมาสมองปลอดโปร่งนะทำเสร็จนะแล้วก็เชียดชิวทุกทีเลยแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกอกี่ครั้งสังเกตไหมเพราะฉะนั้นนักบริหารบางคนเนี่ยสุขภาพแย่เพราะชอบบริหารบนความเครียด ถ้าไม่เครียดสมองไม่ทำงานบางคนก็เลยเป็นยังไงชอบความเครียดและนึกว่ามันดีจริงๆนนะนะถ้าถ้าเครียดที่กำลังพอดีเนี่ยเหมือนเราจะพูดอย่างเงี้นะเป็นเป็นพิธีกรเนี่ยนะถ้ามันเฉยมากเนี่ยนะ ไปงานที่มันมันไม่มีอะไรเลยไม่มีผลต่ออะไรเราเลยเนี่ยมันจะพูดเฉยๆสมองไม่ค่อยทำงานแต่ถ้ามี Challenge มีความท้าทายอูรายการนี้ไม่ได้นะออกทีวีอย่างนี้คนดูเยอะเรตติ้งสำคัญอย่างงนี้ผู้ใหญ่สั่งมาอีกดูอีกเนี่ยมันค่อยๆกดดัน Pressure มาเพราะกดดันแล้วเกิดอะไรขึ้นอะเดนาลีนหลังล่งละ เพราะมันเป็นความเป็นความตายถ้าพังขึ้นมาอนาคตเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะระดมความคิดระดมความคิดมันมีสัญญาณคุกคามมีความกดดันเขาบอกว่าอย่างนี้นะถ้าจะให้สมองปลอดโปร่งและทำงานได้ดีเนี่ยการเต้นของหัวใจต้องอยู่ประมาณหนึ่งสบถึงหนึ่งบห้า อย่าให้เกินนี้ร1 0ถึงห4 5การเต้นหัวใจความดันอะไรก็ตามอยู่ในประหว่างนี้ถ้าเมื่อใดนะเกินร4 5บห้าขึ้นไปเนี่ยเพี้ยนละเคยเห็นไหมที่คนกลัวจนวิ่งหนีไม่ได้นั่นความการเต้นหัวใจ175เห้าเวลากลัวสุดขีดนะ เสือมาช้างมาน้ำป่ามาเป็นอมาาัมพาตนอ็อกแค่เรียวกว่าน็นอกดาวน็อกเลยอะ่ะเพราะความดันมันขึ้นหัวใจมันเต้นเกินร้5ยเจ็ดสิบห้าไอ้ร้อยร้อยสิบห้าร้อยห้าสิบก็ได้ไปถึงร้อยเจ็ดิบห้า้ยสิบความเต้นหัวใจเนี่ยไปถึงตอนนั้นเนี่ยนะเคลื่อนไหวไม่ได้เคยเห็นในหนังไหมละ่ะ เวลาโจนไล่มาเนี่ยนะผู้ล้ายฆาตกรมาเนี่ยเรากลัวสุดขีดเนี่ยสตาร์ทรถไม่ได้กุญแจเนี่ยใส่ไม่ถูกมันเต้นเกินร้อยสี่สิบห้าแต่ถ้าเป็นพวกมืออาชีพศัตรูวิ่งมาเนี่ยนะแกคุมอยู่เนี่ยเจมอนเนี่ยสตาร์ทรถเฉยมากอยู่ประมาณเนี่ยร้อยสิบร้อยสี่ิบห้า คุมสติที่เราเรียกว่าคุมสติผู้หญิงที่ขับรถขึ้นที่จอดรถอะ่ะจะเหยียบเบรกแล้วกลายเป็นเหยียบคันเร่งะพุ่งตกลงมาน่นะตายเลยอะ่ะนั่นแหละมันพุ่งความกลัวมันทำให้การเต้นหัวใจพุ่งเร็วมากแล้วเกิดอะไรขึ้นมันบิดเบือนการรับรู้ ไอ้ที่เห็นลูกกระตาตัวเองพอความดันเพิ่มปุ๊บเนี่ยกลายเป็นผีเลยไงใบไม้ไหวก็เป็นผีแล้ววิ่งไม่ไหวด้วยช็อกอยู่ตรงนั้นเนยนึกถึงประเด็นอย่างว่าทำอย่างไรเราจะดึงความการเต้นอัตราหัวใจความดันลงนี่คือนี่คือสิ่งที่จะพูดแต่ว่าพูดถึงภัยมันก่อน เราเครียดสะสมมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ, ๆ, ๆโดยที่เราไม่รู้ตัวไปหาหมออีกทีโอ้โหน้ำตาลเท่าไรความดันเท่าไรกรูกกโคสมันออกมาเราไม่รู้เราผอมๆนี่แหละนืความเครียดสะสมเพราะฉะนั้นคนเนี่ยนะพอมันเพิ่มมากขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นความดันก็ตามมาแล้เรียกความดันก็นแล้วกันเนี่เพราะมันเกินปกติเนี่ยหนึ่งอ ระบบการทำงานเนี่ยมันรวนหมดเลย ส, สตาร์ทรถไม่ได้ภาพที่เห็นก็จะเพี้ยนบิดเบือนอยังเห็นผีกลัวผีเนี่ยนะและอะไรอีกเห็นช้างเท่าหมูอันนี้ไม่ต้องไปถามใครหมูไม่กลัวน้ำร้อนเจ้านายก็เจ้านายเถอะวันนี้เป็นตายรู้กัน ที่สิบตำรวจไปยิงสารวัตรอะปกติกลัวกันจะตายสั่งสัๆงสังสังแต่วันนั้นเอาปืนไปยิงเฉยเลยมันขึ้นเท่าไหร่เราไปวัดก่อนนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตำรวจสหรัฐเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีมาตรการเวลาเชสซิง่งนะไล่ล่าผู้ล้ายเนี่ยผู้ร้ายเหยียบรถเท่าไหร่เร็วมาก สมมติว่าเป็นร้อยไมลต่อชั่วโมงร้อยฮะร้อยิบไมต่อชั่วโมงในขณะที่เขาขับเร็วเนี่ยตำรวจก็ไล่เยนะจี้จไปนเนี่ยตำรวจเขาไม่ได้ขับเร็วบ่อยแต่โจรมันจะขับบ่อยเพราะฉะนั้นความดันมันไม่ขึ้นมากกับโจรเนี่ยไอ้พวกเด็กแว้นก็เหมือนกันแต่ตำรวจที่ขับตามเนี่ยความดันมันขึ้นสูงมากพอความดันขึ้นสูงมากเยนะ เกินเกิ้อยห้าสิบร้อยสี่ิบขึ้นไปเนี่ยเกิด อ, อะไรขึ้นรู้ไหมพอตามทันขึ้นมานะตำรวจตามทันขึ้นมาลงจากรถไปเนี่ยสถิติบอกเลยจะต้องมีการซ้อมไอ้หมอนั่นที่หนีตำรวจมันเยอะความดันมันขึ้นเยอะใช่ไหมซ้อมแล้วบางทียิงตายสถิติยิงตายยงงิงทั้งๆที่ไม่รู้มันหนีทําไมอะ่ะมีเยอะมากเพราะการไล่ล่านี่แหละอารมณ์มันพุ่งพล่าน คุมสติไม่อยู่มันลงเอยด้วยการทำร้ายคนหนีลงเอยด้วยการฆ่าเพราะฉะนั้นตารวจสารัตบอกคุณอย่าไปกวดเลยถ้าคนเดียวนะไม่มีไอ้แบ็กอัพอ่ะให้แจ้งให้คนอื่นเข้ามาดักซะเพราะยิ่งกวดคุณยิ่งความดันขึ้นยิ่งความดันขึ้นการตัดสินใจก็เพี้ยนในที่สุดฆ่ากันเขาทำหมดเขาส ม, มดิหมด ฉะนั้นเวลาเราเวลาทำงานมีปัญหาทะเลาะ ก, กับใครในครอบครัวก็ตามที่มันแตกแยกกันเนี่ยพูดการรุนแรงพรุ่งพลาดเนี่ยมันขึ้นเท่าไหร่ที่เขาบอกให้คมดาวสงบลงอะ่ะคือลดความดันเมื่อความดันเพิ่มเพราะสมองเลือดมันต้องไปเลี้ยงใช่ไหมถ้าเลือดมันไปเยอะนี่เป็นไงการตัดสินใจเพี้ยนหมดเลยเลิกก็เลิกแยกทางก็แยกทางครอบครัวแตกแยก เพราะฉะนั้นเวลาเจอหน้ากันทะเลาะกันมากๆเนี่ยให้แยกจากการชั่วคราวเพราะไม่รู้จะทำร้ายกันด้วยวาจาหรือทางกายและพ อ, พอสงบดีแล้วเป็นไงกลับมาไม่มีอะไรเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องประเด็นอยู่ตรงนี้เท่าไหรตอนที่เรากำลังขึ้นสุดๆใครจะมาเบรกเราได้สติมาไม่ทันสติแตกสติมาปัญญาเกิด สติเตลเสมักเกิดปัญหาที่พูดมานี้ก็คือสติเตลเสในกรณีสุดโต่งเกินร้อ้าขึ้นไปเพี้ยนหมดเลยหรือเราบริหารบนความเครียดในที่สุดระยะยาวมันเสียหายต่อสุขภาพเพราะอะไรเครียดเนี่ยมันดีตอนที่เราขึ้นพูดบนเวทีชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ลงมาแล้วมันต้องหยุดเครียด ถ้าเรายัางเครียดสะสมไปเรื่อย ๆ, ๆสุขภาพเราจะไม่ดีระยะยาวทั้งการตัดสินใจอะไรต่างฉะนั้นฉะนั้นในวันนี้มาถึงประเด็นสาคัญลเราต้องฝึกดึงลงดึงไอ้ความดันดึงเลือดดึงอะไรต่างกลายเป็นว่าใจนี่มันคุมกายนะแต่ที่เล่ามานี่คือกายมันคุมใจเราเป็นทาตของมัน เพราะว่าเราปล่อยให้มันขึ้นไปถึงร้อยเจ็ดสิบเราไม่มีทางคุมได้แล้วตอนนั้นทางสรีระมันคุมการตัดสินใจการรับรู้ perception การตัดสินใจผิดพลาดหมดเขาเรียกอารมณ์ร้อนอ่ะคนที่อารมณ์ร้อนทำไมแก้ปัญหาไม่ได้ให้ไปเจราจากันวัดก็วัดเถอะทะเละาะกัชาวบ้านน่ แล้วชาวแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องชาวบ้านก็จะต้องมาเดินขบวนขับไล่เจ้าวาดอยู่เรื่อยไปดูส่วนใหญ่แล้วใจร้อนเจ้าวานใจร้อนคือท่านคุมไม่อยู่คุมอารมณ์ไม่อยู่ไปด่าเขาเขาก็ด่ากลับด่ากันไปด่ากันมาอย่างเงี้ยสมาเป็นผู้ปกครองเนี่ยพอไปวิเคราะห์ดูเป็นอย่างนี้คดีต่างๆที่ฟ้องราชการ เช่นฟ้องหมอฟ้องอะไรต่างคนไข้ฟ้องเพราะอะไรฟ้องเพราะปากไม่ดีส่วนใหญ่ถ้าไอ้รักษาผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผิดพลาดแล้วพูดกับเขาดีๆหน่อยสิปลอบเขาหน่อยอภัยขอโทษขอโพยเนี่ยเขาไม่ฟ้องหรอก ส่วนมากไอ้พวกหน้าห้องอ่ะตัวดีไปซ้ำเติมเขาไปพูดไม่มีมนุษยสัมพันธ์มะนาวไม่มีน้ำคนมันกำลังขึ้นอ่ะยอมรับผิดขออภัยกันอะไรกันเนี่ยเขาดูแล้วไม่ว่าในประเทศอเมริกาหรือในประเทศไทยที่ไหนหรอกถ้าพูดดีๆให้สัมภาษณ์ดีๆตอนออกไปเนี่ยนะเวลาที่ข่าวมันหลายๆทั้งไอ้มันมีเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรต่างเนี่ย รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยประโยคแรกที่พูดผ่านสื่อเนี่ยให้ซอฟเข้าไว้ขอโทษขอโอยขออภัยยอมรับความผิดเนี่ยเรื่องมันจะไม่ลุกลามเขาจะไม่ฟ้องคนไทยขอกันกินมากกว่านี้แต่พอไปเอาน้ํามันไปเติมบนเชื้อไฟเชื้อเพลิงเนี่ยพูดในลักษณะสัตว์น้ํามันเข้าเชื้อเพลิงเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องแล้ว เพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลก็ดีราชาการก็ดีการเมืองก็ดีนี่ต้องต้องระวังตรงนี้นี่คือนี่คือปัญหาละ่ะถามว่าแล้วเราจะทำได้ยังไงประเด็นอยู่ตรงนี้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันจะมีวงจรในความคิดเราเนี่ยหลายวงจรอย่างน้อยสองวงจรที่มันคิดแข่งกันอยู่ในหัวเรา ที่เราเรียกว่าเสียงที่มันพูดอินเนอร์ไว์เสียงพวกนี้มันมีส่วนในการกระตุ้นความรู้สึกโดยที่เราไม่ได้คุมเวลาที่เราโกรธใครเนี่ยนะเราไม่ได้ตั้งใจโกรธนะแต่เขามาพูดให้กระทบจุดอ่อนเรามากระทบปมในใจเรามันพุ่งปริ้เลยนะ มันขึ้นทันทีอะร้ยเจ็ดสบเลยอะตอนนั้นน่ก็เพราะว่าอะไรเพราะมันจะมีวงจรอัตโนมัติในความคิดภาษาพระเขาเรียกเป็นสองวงจรวงจรที่หนึ่งเขาเรียกวิถีจิตวิถีจิตแปลว่าจิตที่สํานึกตัวอีกอันหนึ่งเขาเรียกผวังขจิตจิตตกพวังสองกระแสอยู่ในกันเนี่ย สมมติเรานั่งคุยกันอยู่ที่นี่เลยนะเนะี่ยบางคนนั่งเมือ่อยลอยนักเรียน เ, นยเราสังเกตเด็กๆไงนะเด็กมันจะเ ม, ม, มื่อเมื่อยลอยเดย์เดรีมใช่ไหมฝันกลางวันมันออกไปไหนก็ไม่รู้ตะลิดเปิดเปิเปงแต่ว่าไม่ได้ยินที่อาจารย์สอนที่ครูสอนนั่งเป็นชั่วโมงลอยไปฝันอยู่ที่ไหนมาหูเขาได้ยินไหมได้ยินนะถ้าอาจารย์ถามเนี่ยเขารู้คําถามด้วย ตอบได้ด้วยบางทีถ้าเขารู้คำตอบแต่ว่าหูที่ได้ยินเราเรียกวิถีจิตจิตที่ออกมารับรู้ทางหูทางตาทางจมูกทางผิวกายทางอะไรทางสัมผัสทางอะไรเงี้ยซึ่งจิตอย่างนี้เนี่ยเวลาคนมาถามว่ากำลังทำอะไรเราตอบได้อนั่งฟังไงพระพูดเรื่องอะไรตอบได้แต่รู้ไหมในขณะที่เรานั่งฟังเนี่ยที่ ท, ที่ที่นั่งฟังตะมาเนี่ยนะ จิตมันโดดเข้าไปสู่ความเคยชินอีกวงจรหนึ่งเขาเรียกออกมาจากผวังออกมาจากผวังหมายเขาว่าเมื่อวานนี้เราทะเลาะกับใครมาเรื่องยังสะสางไม่ได้มันยังค้างอยู่เลยนะมันจะขึ้นมานะผุดขึ้นมานะทั้งๆ ท, ที่เรานั่งฟังอยู่นี่นะแต่นั่นมันจะคิดแข่งเดี๋ยวกลับไปต้องไปด่ามันนะนึกได้เออนึกได้มันจะผุดขึ้น แล้อยากรู้ว่าผุดตอนไหนรู้ไหมลองเดี๋ยววันนี้นะนั่งกรรมฐานนี่จะรู้พอท่านให้หลับตาพุทโธหรือภาวนาหายใจเข้าออกนั่นนะวิถีจิตคือให้จิตมันอยู่ที่ลมหา ย, ย, ายใจใหญ่ช่ไหมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนับหายใจเข้า น, นับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งสองสาแล้วแต่อาจารย์เขาจะสอนนี่คือวิถีจิตแปลว่าสํานึกตัวในขณะที่ทำพอมันลุมเคลิมคล้มเลยจิตพขวังมาแล้วมันจะมาสองเรื่อง เรืองอดีตกับเรื่องอนาคตยกเว้นเรื่องปัจจุบันปัจจุบันคือลมหายใจอดีตมันจะผุดมาเป็นฉากๆเลยทะเลาะกับใครมีความสุขที่ไหนดีอะไรยังไงเนี่ยมันจะมาโดยที่เขาเรียกใจลอยปัจจุบันคือลมหายใจใช่ไหมมันจะลอยไปถึงอดีตลอยไปสู่อนาคตมีข่าวแว่วว่าเขาจะปรับคลอโม มีข่าวแว่ว่ว่าเขาจะได้อยากจะได้คนเก่งสงสัยเรามีสิทธิ์ฝันฝันแล้วนะอนาคตแล้วบางทีนักงานที่ค้างอยู่ในหัวเตรียมเตรียมที่จะเขียนสปีดให้ผู้ใหญ่คิดไม่ออกพอนั่งกประฐานมันมาเป็นฉักๆเลยนะโอ้โหไอเดียดีเหลือเกินเดี๋ยวเราจะต้องทําอย่างนี้จะต้องเขียนอย่างนี้ไม้อยากจะออกกรรมฐานให้เร็วๆนะจะได้รีบไปทํพาพอออกแล้ว ไม่ได้เรื่องเลยทักอย่างไอ้ที่คิดไว้เลยอย่าไปเชื่อมนะอันนะไอ้นี่เขาเรียกวางแผนอนาคตเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันจะลอยไปเข้าวงจรผุดขึ้นมาแข่งกับปัจจุบันอดีตหรืออนาคตที่นั่งกรรมาฐานไม่ได้เนี่ยเพราะตรงนี้และไม่แปลกนะว่าเราเนี่ยทำไมมันนั่งกรรมาฐานไม่ได้เพราะว่ามันใจลอยถูกไหมมันไม่อยู่ที่ลมหายใจไม่อยู่ที่นั่นที่นี่ ไม่แปลกเป็นกันทุกคนเขามีงานวิจัยจากนักจิตวิทยามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะเขาถามคน 250,000 คนถามทางออนไลน์ด้วยถามว่าตั้งแต่ตื่นนอนอถามพวกเราด้วยนะคำถามดีมากตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนนอนหลับเนี่ย สมมติ ว, วันหนึ่งเราตื่นอยู่ประมาณ8 2, ดสอง 1, 4, 16ปสามยสี่ิบหชั่วโมงให้นอนอย่างมาก8ดชั่วโมงซึ่งไม่ถึงหรอกอสมมติว่าสบหชั่วโมงถามว่าใน16หชั่วโมงเนี่ยคุณใจลอยบ่อยไหมใจลอยบ่อยไหมให้วัดยังไงเช่นขณะตั้งแต่ตื่นกำลังแปลงฟันเนี่ย ใจคุณอยู่กับการแปลงฟันหรือไปคิดเรื่องจะไปรถจะติดไหมจะไปทางไหนถ้าคุณคิดเรื่องรถติดอยู่ไม่อยู่กลางนี่คือใจลอยถ้าใจคุณออกจากเรื่องที่คุณกำลังทำอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าใจลอยหมดอาตมาถามเลยวันนี้อาตมาจงใจอาตมานั่งพูดมาเนี่ยเกือบชั่วโมงเนี่ยท่านอยู่กับเรื่องที่อาตมาพูดกี่นาที แล้วไปคิดสอนขึ้นมาจากเรื่องผีเรื่องอะไรที่มาเล่าเนี่ยเรื่องความดันขึ้นเออเราเคยเป็นที่รั้นที่นี่เนี่ยโดยไม่ฟังกระตมาพูดเนี่ยกี่นาทีกี่ครั้งถ้ารู้ไหมไม่ต้องบอกก็รู้สี่สิบเจ็ดเปอร์เซนของเวลาที่ใช้ในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงที่นั่งอยู่เนี่ยนะหกสิบนาทีเนี่ย ในหกสิบนาทีเราใจลอยจากเรื่องที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยประมาณ 47% ของเวลาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนฟังหมดหรอกและไม่ใช่เฉพาะแค่นี้ลทุกคนเป็นหมดเพราะฉะนั้นเวลาไปนั่งกรรมาฐานใหม่ๆอย่าไปนึกว่าใจนี่มันจะอยู่กับเรื่องนั้นเ7นี่เนะของเวลาที่เราตื่นเราจะใจลอยถามว่าแล้วใจลอยในช่วงไหนมากที่สุด ใจลอยกับเรื่องที่เราไม่ชอบทํามากที่สุดไม่เรื่องที่เราไม่ชอบคุยกับคนที่เราเบื่ออะได้ยินกี่ประโยคไม่อยากคุยอะแต่ถ้าคนไหนชอบนะอยากกะติดกล่าวอะตรึงอย่างนั้นอะดูภา พ, พยนตร์หนังใหม่ๆที่เราชอบใจมันจะอยู่กับภา พ, พยนตร์นั้นเกือบร้อ 120นาทีแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เราเคยดูแล้วที่เราไม่ชอบที่เราจำเป็นจะต้องไปดูกับคนที่บังคับให้เราไปเนี่ยมันจะอยู่กับเรื่องนั้นกี่นาทีมันจะเตลดิดอาจจะเหลืออยู่ 30% ที่ดูรู้เรื่องให้มาวัดมาฟังเทศมาฟังธรรมที่เราชอบใจจะอยู่กับเรื่องนี้ 80% ซแต่ถ้ามาเพราะถูกเกณฑ์มามันจะเหลือกี่เปอร์เซนต์ ป่านนี้กลับไปบ้านกลับไปที่ทำงานทั้งไม่รู้กี่รอบแล้วถูกไหมล่ะอ้ะวาวล่ะอันนี้เป็นธรรมดาต่อไปนี้เนะี่ฟังให้ดีนะที่จะขอให้ทำเมื่อฝึกกรรมฐานนะคือใจลอยเป็นเรื่องธรรมดานี่คือยอมรับก่อนสอง ถ้าเรานั่งกรรมฐานกําหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกแล้วมันฟุ้งซ่านคือไปในเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างอย่าอย่ารู้สึกไม่สบายใจอย่าไปด่าตัวเองไปตําหนิตัวเองว่าเราเพี้ยนเรานั่งกรรมฐานไม่ได้ให้บอกว่านี่เป็นเรื่องธรรมดานี่นะเพราะทุกคนเป็นหมด แต่อย่าไปบอกว่าเพราะทุกคนเป็นเราก็เลยเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้ไม่ใช่การใจลอยฟุ้งซ่านนั่งกรรมฐานไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ให้เรายอมรับก่อนนะเหมือนกับเราจะมาปฏิบัติที่นี่เราต้องยอมรับตรงนี้สองประเด็นที่สองอการวัดว่าเรามีสมาธินั่งกรรมฐานได้หรือไม่ไม่ได้วัดที่ ใจลอยหรือไม่ใจลอยถ้าเราไปบอกว่าเพราะเราใจลอยเราเลยใช้ไม่ได้เราจึงปฏิบัติไม่ได้คิดผิดใจลอยนั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดาแต่ข้อที่สองวัดความสำเร็จในการปฏิบัติกรรมฐานตรงที่หนึ่งเรารู้ตัวว่าเราใจลอยเร็วช้าแค่ไหน ถ้าเรารู้ตัวได้เร็วว่าตอนนี้ใจลอยออกนอกลมหายใจดึงกลับมาที่ลมหายใจให้เร็วที่สุดได้เท่าไหร่นั่นแหละคือความสำเร็จไม่ใช่นั่งหลับตาโอ้คนนี้นั่งกรรมฐานาดีที่ไหนได้ฝันเฟื่องอะไรก็ไม่รู้ไปเป็นคู่เป็นแควต่อให้คุณนั่งชั่วโมงคุณก็ไม่กลับสู่ปัจจุบันล้มเหลว ความสําเร็จอยู่ตรงที่พอเริ่มฝันเฟื่องพอเริ่มกังวลพอเริ่มอดีตอะไรต่างให้รู้ปุ๊บเลยตอนนี้ฟุ้งซ่านเรื่องอะไรแล้วดึงกลับมากําหนดลมหายใจใหม่เขาให้นับเราก็นับใหม่ต่อทันทีเลยส่วนนับหนึ่งถึงห้าแล้วมันได้สเราก็มานับหนึ่งใหม่ถึง 4- ถึงหไล่ไปเรื่อยพอไปถึงเจ็ดมันฟุ้งอีกกลับมาใหม่ แปดต่อ90อะไรต่างเดี๋ยวกรรมฐานนี่เขาจะสอนสมาธไม่สอนละเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนกับอาจารย์เขาแต่ละสุนัขไม่เหมือนกันเอาหรือจะกําหนดยุบพองพองยุบอะไรกัแล้วแต่กลับไปที่เดิมเอาประเด็นใหม่นะข้อที่2นะข้อที่2ก็คือวัดความสําเร็จของสมาธิสมาธิคืออะไรคิดเรื่องเดียวสมาธิตรงกับคําว่าเอกะเอกะคตาแปลว่าคิดเรื่องเดียว คนมีสมาธิคือคนคิดเรื่องเดียวไม่คิดหลายเรื่องเช่นขับรถก็อยู่กับการขับรถกำลังพูดก็อยู่กับเรื่องพูดไม่ไปคิดเรื่องอื่นเลยเรียกว่ามีสมาธิในการขับรถมีสมาธิในการพูดกำลังฟังอะไรมาก็ไม่คิดเรื่องอื่นเลยมีใจตามเรื่องที่พูดมาตลอดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเรียกว่ามีสมาธิในการฟังกำลังพิมพ์คอมพิวเตอร์อยู่ ไม่ผิดเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่คิดเรื่องอื่นเลยใจเราอยู่กับเรื่องที่เราทําพิมพ์สปีชของเจ้าหน่ายเพราะฉะนั้นมาตรวจแล้วไม่ผิดเลยยอดว่ายอ่ยอหน้าถูกต้องดีงามหมดเพราะสมาธิแต่ถ้าจิตเราลอยซิบเ็ดเปซผิดเยอะเลยแต่เราพยายามจะเพิ่มให้เป็น80สบใจลอยใจไม่ลอยแปดิซของเวลาประสิทธิภาพมันจะเพิ่มขึ้นทันทีด้วยสติ เอาสมาธิก่อนนะสมาธิแปลว่าคิดเรื่องเดียวปักอยู่กับเรื่องนั้นไม่วกแวกไปเรื่องอื่นเลยเช่นกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกอ ย, อย่างนี้ไม่คิดเรื่องอื่นเลยห้านาทีเป็นสมาธิกำหนดพองยุบที่ท้องพองยุบพองยุบรู้หมดหานาทีเป็นสมาธิสติอยู่ตรงไหนสติอยู่ที่ปัจจุบันกำหนดลมหายใจเมื่อหานาทีที่แล้ว ไม่ต้องไปสนใจในอนาคตก็ไม่ต้องไปสนใจเอากําลังเข้าออกปัจจุบันเนี่ยเราตามฐานหมดเรียกว่าสติที่ใจลอยที่ผ่านมาไม่ต้องไปสนใจในหนึ่งชั่วโมองที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ฟังเสียงอาตมาได้ยินชัดเจนแล้วนี่คือมีสติในการฟังและไม่ต้องไปบอกว่าโหทําไมเราจึงฟังไม่รู้เรื่องหรืออะไรต่า ง, างไม่รู้อะไรที่แล้วมาไม่รู้เรื่องช่างมันไม่ต้องไปกังวลฟังตอนนี้ให้รู้เรื่องเป็นใช้ได้ นี่เรียกว่ามีสติในการฟังไอ้ที่พูดมาก่อนนะั้นเรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้เพราะไม่ได้ฟังใจลอยกระช่างมันแต่ตอนนี้บอกสองข้อจำให้ได้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งการใจลอยเป็นเรื่องธรรมดายอมรับ2แก้ใจลอยด้วยการผูกใจอยู่กับเรื่องเดียวเช่นลมหายใจหรือสมาธิเรียกว่าสมาเออเรียกว่ามีสมาธิการผูกอยู่กับเรื่องเดียวเรียกว่ามีสมาธิ สามอาดีตก็ไม่ต้องไปสนใจปัจจุนาคตก็ไม่ต้องไปสนใจลมหายใจที่มันเคยใจลอยไปไหนไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับปัจจุบันที่ลมกระทบจมูกเข้าออกหรือพองยุบเราเรียกว่ามีสติสติคืออยู่กับปัจจุบันเขาเรียก l n e s s awareness คือ aware กับ here and now ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้อ่ะ สข้อนะข้อที่สข้อที่4ี่4ในการปฏิบัติคืออะไรข้อที่สี่ก็คือว่าเมื่อเรากำหนดลมหายใจให้อยู่กับปัจจุบันแล้วย่อยู่ความคิดมันผุดขึ้นมาอดีตบ้างอนาคตบ้างใจลอยไปเรื่องอื่นแล้วไม่อยู่ที่เราหายใจให้ทำอะไรพระท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ว่าเรากำลังคิดเรื่องอะไรมันปลกมันโผลขึ้นมา ให้เรากำหนดรู้ว่าเออตอนนี้นะไปกังวลถึงเจ้าหน่ายรู้แล้วไม่ต้องไปใส่อารมณ์กับมันอย่าไปใส่สีตีไข่รู้แล้วไม่ต้องใส่อารมณ์แค่รู้ว่าเราคิดเรื่องนั้นแล้วก็ดูความคิดไปปฏิบัติแล้วจะรู้มันจะหยุดคิดเองให้รู้สักแต่ว่ารู้ไม่ต้องไปเสียใจที่เราฟุ้งซ่านไปกับเรื่องมัน และไม่ต้องดีใจถ้าหากว่ามันคิดเชิงบวกคิดอะไรสักแต่ว่ารู้เอาตอนนี้เราชอบไปคิดเรื่องไปทานอาหารที่นี่มันมาบ่อยแสดงว่าอยากกินแต่เราไม่ต้องไปหิวไม่ต้องไปวางแผนว่าจะไปกินแค่รู้ว่าเออเราชอบคิดถึงร้านอาหารนี้เมนูนี้พอเรากำหนดรู้แค่นี้เราก็สมมติมันมาสามครั้งโอ้เรื่องนี้ชอบมาบ่อยเดี๋ยวมันจะไม่มามันจะเปลี่ยนเรื่อง มันจะเอาเรื่องเชิงลบบ้างไอ้ที่เราไปป่วยที่นั่นที่นี่มันจะมาแหละอนาคตเป็นยังไงเราก็แค่ไม่ต้องไปเสียใจอีกนะไม่ต้องไปกังวลกับที่เราป่วยนะแค่รู้ว่าเราชอบคิดเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็จะหยุดคิดหยุดคิดแล้วเป็นยังไงกลับมาเรื่องลมหายใจปัจจุบันให้เร็วที่สุดผู้ปฏิบัติได้ดีเนี่ยคือผู้ที่กาหนดรู้ว่าใจลอยได้เร็ว แล้วกลับมาอารมณ์ปัจจุบันกรมาอารมณ์กรรมาฐานได้เร็วทำได้เร็วเท่าไรถือว่าพัฒนาขึ้นเท่านั้นแล้วมันจะช่วยตรงไหนเอาทีนี้เวลาเราเครียดนอนไม่หลับงานมันค้างเราปล่อยวางไม่ได้ปัญหามันจะสมสม ส, ม, สมขึ้นมาคืนนี้นอนไม่หลับปัญหามันยังไม่จบเป็นพวกกวาง ที่หนีแล้วยังมาเครียดต่อมาสันต่อพรุ่งนี้มันก็เครียดต่อหลายๆคืนเข้านอนไม่หลับเกิด อ, อะไรขึ้นเพี้ยนคนฆ่าตัวตายเพราะสะสมอย่างนี้เนี่ยในที่สุดเนี่ยแต่มาเคยเจอเด็กสาวที่เขาจะฆ่าตัวตายมาเล่าให้ฟังเพื่อคุยธรรมะเนี่ยเป็นคนอินเดียนะตอนนั้นอยู่อินเดียไปอินเดียเขาบอกเขานอนไม่หลับมาสามเดือน พื่อ่าเขาท้องอ่ะสามีไม่รับต้องไปทำแท้งมันกิลตี้ที่ทำแท้งและคนอินเดียเขาคอนเสอร์ฟิทติมากเขานอนไม่หลับเขาเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าเขาอยู่หอพักเขาเป็นนักศึกษาเขาอยู่หอพักเขาเดินขึ้นบนดาดฟ้าเห็นแผ่นดินนี่มันนูนขึ้นมาจริงมันสามชั้นแต่เหมือนชั้นเดียวให้ให้เดินลงไป Out of priority เนี่ยมันเพีย้ยนจะโดดลงไปอะ่ะไม่ได้ตั้งใจโดดแล้วแต่ว่ามันมันลอยะคนนอนไม่หลับเนี่ยมันเดินลอยลอยลอยโดดลงไปพอดีอาจารย์เขาเห็นเขาขึ้นไปดึงแขนลงมาดึงแขนเป็นเป็นหอพักสตรีนะอ่ะอีกวันหนึ่งกินยานอนหลับ เป็นกำเลยฆ่าตัวตายเต็มท้องเลยกะให้ตายปรากฏว่าไอ้นักศึกษาห้องข้างๆเนี่ยมันเข้าห้องไม่ได้ลืมกุญแจมันปีนตกตุ๊บลงไปคนทั้งหอพักมามุงดูเหลืออยู่ไอ้ห้องนี้ไม่ออกมาดูเพื่อนก็ห่วงเอ้คนตกขอแล้วไม่ไม่ไปดูไปเคาะประตูไอ้มมนี่จะตา ย, ยแล้วเดี๋ยวน้ำลายฟูบ ป, ปากเลยเอาไปโรงพยาบาลไปล้างท้องรอดตาย ส่วนไอ้คนที่ไม่ได้ตั้งใจเลยตายอาตอมาไปเทศงานไอ้คนเนี้ยแล้วเขาก็เลยมาสารภาพว่าดีฉันเนี่ยอยากตายไม่ตายไอ้เพื่อนไม่อยากตายมันตายแล้วที่ท่านไปเทศน่ะเนี่ยวันนั้นน่ะก็เลยตามมาถามว่าแกยังไงนี่คือตัวอย่างหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเออ ุ่นรุ่นพวกเราเนี่ยมาทำบุญนอนไม่หลับก่อนหน้านี้เขานอนไม่หลับความผิดพลาดในงานหลายเรื่องมันประดังเครียดแล้วก็ไปปรึกษาคนที่ไว้ใจว่าเป็นเหมือนแม่ระบายปรากฏว่าพี่มาบอกว่าคือโทรศัพท์ไปก่อนว่าเดี๋ยวจะไปปรึกษา พี่ชายมาดักหน้าเองอย่าเอาปัญหาไปเพิ่มให้แม่น้อยใจหรือว่าแม่ไม่อยากช่วยแม่บุญธรรมน้อยใจขึ้นมากลับมานอนไม่หลับแล้วนอนไม่หลับมาหลายคืนกินยานอนหลับสามเม็ดมันก็ไม่หลับห้าเ ม, ม็ดก็ไม่ได้หลับเจ็ดสิบเม็ดกินเข้าไปเพราะมันไม่หลับมันเพี้ยนไงคนมันเพี้ยนเจ็สิบเม็ด พอเที่ยงคืออยู่บ้านแม่นั่นแหละแต่ขึ้นห้องกินยาเลยพี่ชายก็ไปเคาะประตูอาเจียนมาหมดเลยยามันแก่ะไม่รู้ตัวแต่แตอาเจียนไปล้างท้องรอดตายถามว่าพ่ออะไรมันเครียดนอนไม่หลับตมาก็เลยสอนอย่างนี้ ต่อไปถ้าความคิดให้นั่งกรรมฐานต่อไปเนี่ยนะถ้าความคิดมันผุดขึ้นมา g u ลตี้อะไรต่างให้กำหนดรู้เฉยเฉอย่าไปคิดตามและถ้านอนไม่หลับอะไรที่เราชอบให้ทำก่อนนอนเช่นชอบฟังเพลงให้จิตมันเป็นผูกอยู่นะมันจะได้ไม่ไปคิดถึงปัญหาชอบดูภาพทำอะไรก็ทำทำไปแต่อย่าไปเพิ่มให้มันอะดรีนลีนมันหลังนะอย่าไปคิดปัญหาทางานดีเล็กทาอะไรที่เราชอบ บอกเข้าไปวันนี้เขาหน้าสดใสก่อนน้นมาหน้าดำเพิ่งล้างท้องมามหาธรรมะวันนี้หน้าตาสดใสเนี่ยเพิ่งไปก่อนนิดหนึ่งที่จะเข้าไปบอกนอนหลับแหละแกไปแกชอบฟังเพลงอะไรบางอย่างแกฟังก่อนนอนใจมันก็ผ่อนคลายสติอยู่กับเพลงสมาธิฟังเพลงต่อเนื่องแล้วเพลงให้ความสุข เขาเรียกฉันทะสมาธิสมาธิที่เกิดจากความชอบไม่จำเป็นจะต้องมานั่งกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เวลาเราทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานที่เราชอบเราจะมีสมาธิถ้าเราไปที่ที่เราชอบหรือมีงานในเกษ์ที่เราชอบเราจะมีสมาธิฝึกไว้และสำคัญที่สุด งานอย่ามองให้มันน่าเบื่อหาแง่ดีมาชอบมันให้ได้และพอเราชอบเมื่อไหร่เราจะมีสมาธิเมื่อ น, นั้นเขาเรียกโฟล์คนราคนไทยเรียกอินโฟล์นี่คือจิตมันมีสมาธิมันจะลื่นไหลไปกับงานมีความสุขถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบและชอบในสิ่งที่เราทำเราจะมีความสุขเราจะมีสมาธิ เหมือนเราดูภาพยนตร์ที่เราชอบหมดเวลาไปไม่รู้ตัวเราทานอาหารที่เราชอบมันก็หมดเวลาในความสุขมันถึงเวลาหมดเร็วเพราะมันโฟล์มันอินมันมีสมาธิมันคิดอยู่เรื่องนั้นเรื่องเดียวฝึกไม่มีสิ่งที่เราชอบก็ต้องชอบสิ่งที่เรามีไม่มีไม่ ไม่มีสิ่งที่เราชอบให้ทำํำนะเราก็ต้องชอบในสิ่งที่เราทําและเมื่อเราชอบทุกอย่างมันจะเป็นธรรมชาติและมีความสุขวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี่คือสร้างฉันทะคือความชอบในสมาธิในกรรมฐานคิดในแนวที่พูดมาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะ โอ้มันดีนะมันเป็นประโยชน์นะอะไรนะแล้วมันจะมีจะชอบมีฉันทะแล้วนั่งกรรมฐานมันจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าไม่มีอันนี้นะนั่งไปก็ฝันอะไรก็ไปก็ไม่รู้โรงไปเครียดไปอยู่นั่นแหละเมื่อไรมันจะจบสักทีแล้วกกลายเป็นว่าเลยไม่ชอบวัดปยูนนะแล้วถายว่าใครพามาอีกนะมันจะกระทบไปที่คนนั้นอีกที่จริงเขาพามาดีมาทําบุญ ให้เราเกิดชันทะมีสมาธิมีความสุขแล้วกลับไปชอบงานที่เราทำชอบเพื่อนร่วมงานชอบททุกๆอย่างแล้วเราจะมีความสุขนั่นแหละอ่ะหลวงพอ่อขอพรหลวงพ่อนะตอนนี้นะอธิษฐานจิตอ่ะขอพรจากหลวงพ่อพระประธาน ในพระอุโบสถพระพุทธธรรมวิเชธศาสดาอธิษฐานจิตว่าในชีวิตของเราให้มีความสุขความสำเร็จเหมือนดังเช่นที่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสบความสำเร็จในการตัดสู้โดยขอให้เราได้เอาชนะอุปสรรคศัตรูมารทั้งปวงอย่าได้มาแผ่วพานขอบารมีธรรมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้มีพระประธานเป็นต้น จงอำนวยพรให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติมีจิตที่เป็นสมาธิมีสติโดยเร็วพลันประสงค์จำานงหมายสิ่งใดก็ให้พันสำเร็จสมมโนรถมุ่งมาดปรารถนาทุกประการตลอดกาลละนานเทิน